เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสนท น, นากันเออวันวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดใช่หมพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองช่วงที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นช่วงเที่ยงก็กว่าเที่ยงสามสิบเมื่อสักครู่เาส่งข่าวเรื่อง หลวงพ่อสุมลมรณาภาพแล้วก็ทำพิธีลดน้ำศพที่โรงพยาบาลกรุงเทพวันก่อนนะมาก็ได้ไปไปเยี่ยมแล้วก็ไปกล่าวพระธรรมถวายท่านตั้งแต่ไปเห็นก็รู้แล้วว่าโอกาสจะออกจากตรงนั้นนะไม่มีแต่หลายคนก็พากันลุ้นเดี๋ยวพระพิยากจะบอกว่าเออจริงๆแล้วสภาพที่ อวัยวะในร่างกายทุกส่วนคนอายุแป8 8บเจดปบดอวัยวะคือไตคือตับคือปอดคือหัวใจม้ามเป็นต้นเหล่านี้เนะี่ยอวัยวะเหล่านี้ทำงานมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เจอโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมาอย่างยาวนานในกระแสชีวิตฉะนั้นการทำหน้าที่เริ่มวิปริตผิดเพี้ยนมันก็เกิดขึ้น โดยเฉพาเจอชราภัยเข้าไปใช่ไหมก็เสื่อมค่ะเสื่อมลงซามลงสมองก็ทํางานได้น้อยลงหัวใจก็ทํางานได้น้อยลงตับไตปอดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอะไเนี้ยการทํางานก็เริ่มเสื่อมสภาพลงแล้วก็เป็นเจอพยาธิภัยเข้าไปเบียดเบียนก็อีกก็เป็นเหตุทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยทาหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยน ถ้าอวัยวะหยุดการทำหน้าที่เมื่อไหร่อย่างนี้เขาเรียกว่าตายฉะนั้นกระแสะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้คือสภาพของขันห้าซึ่งมันเป็นสภาพที่มันเบียดเบียนบีบคั้นอยู่แล้วพอมันนึกถึงในเรื่องนี้ก็เลยทำให้นึกถึงในเรื่องของมอรณสติในวันนี้เราจะบูชาพระพุทธเจ้ากัน ตอนนี้กระแส er, รูปประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราท่านทั้งหลายเนี่ยยังพอไปไหวยังพอที่จะยกขันธภาระในการยืนเดินนั่งนอนได้คล่องแคล่วพอสมควรแต่ต้องดูแลอย่างเต็มที่เหมือนกันโดยเฉพาะผู้พูดเองเนี่ยต้องดูแลทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่ป่วยที่จะไม่โซมไม่สุดแต่ก็อาศัยจากการที่ว่าไม่ประมาท แล้วก็พิจารณาถึงมราณะภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับเรื่องความตายความขาดศูนย์ของชีวิตตินซีที่เนื่องในพพ ห, หนึ่งนี่แหละเคาเรียกว่ามราณะชีวิตตินซีคือสภาวะที่อุปถัมรูปนามที่เกิดร่วมกันให้ดำรงอยู่ได้และก็เป็นใหญ่ในการคุ้มครองรักษารูปนามเหล่านี้ท่านแบ่งออกมาเป็นสองชนิดใช่ ชนิดที่เป็นนามชีวิตตินรียเนี่ยหมายถึงชีวิตตินทรีย์เจตสิกกลุ่มเหล่านี้ก็ทําหน้าที่ในการที่จะรักษาหรืออุปถัมภ์สัมยุญ ธ, ธรรมก็ทําหน้าที่รักษาเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่เรียกว่าจิตและเจตสิกนี่แหละที่เกิดร่วมกันกับตนให้ดําเนินไปท่านับเข้าในชีวิตตินซีเนี่ยอยู่ในกลุ่มของสัพพจิตตาสาธารณะเจตสิก ผัสสาะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตดินซีตัวนี้ตัวนี้แหละฉั้นกลุ่มชีวิตดินซีเนี่ยประกอบได้ในกลุ่มนามธรรมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิญญาณขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันเ น, นี่ยตัวอุปถัมภ์ที่คอยหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตดินซีเหล่านี้ให้มีการทำหน้าที่ในขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปให้มีการสืบต่อกันเป็นต้นเหล่านี้คอยอุปถัมภ์ค้ำจุน ให้กลุ่มนามาทมเหล่านี้ให้เป็นไปได้อยู่เนี่ยลักษณะนี้เ็าเรียกว่าชีวิตตินซีที่ระนามว่าชีวิตตินซีอีกอย่างหนึ่งก็เรรูปชีวิตตินซีอันนี้ก็หมายความว่าชีวิตรูปอันนี้จัดเป็นพลังงานอย่างหนึ่งในการทำหน้าที่อุปถัมภ์รูปธรรมไม่ว่าจะรูปที่เกิดจากกรรมกรกรรมมาชรูปให้คงอยู่ต่อไปนตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่จะต้องมีชีวิ ต, ตินซีตรงเนี้ยเาเราียก ถ้าตราบใดพวกรูปชีวิตินรีนามชีวิตติณสียังมีตัวกรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงที่จะนำพาในการคุ้มครองอุปธรรมกระแสะชีวิตให้เป็นไปอยู่ได้ตราบใดกระแสะชีวิตก็ยังดำเนินไปอยู่ทีนี้ท่านถึงบอกว่านามชีวิตอิทรีท่านเปรียบเหมือนกลไกที่ควบคุมรักษานามธรรมทั้งหมดให้อยู่เสมอแม้ว่านามธรรมจะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ตามแต่ลักษณะของสังคตธรรมเนี่ย ทำที่มีปัจจัยปรุงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นต่อไปแนวการต่ อ, ต, อต่อไปด้วยนาฏของอะไรนามชีวิตตินสีนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้สืบต่อต่อเนื่องไปได้ยังไม่ขาดลงยังไม่ขาดลงกระแสจิตเนี่ยมันเกิดดับซ้ํซากกระแสของความคิดเนี่ยเกิดดับสืบต่อเหมือนแม่น้ําตกลงมาจากภูเขาเนี่ยสืบต่อกันอยู่ตลอดสาย เกิดดับซ้ําแล้วซ้ําเล่าคงชีพอยู่ได้ด้วยอนุภาพของชีวิตตินทรีย์นะั้นฉะนั้นการที่เกิดดับสืบต่อเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาที่ยังไม่ขาดในระหว่างพบหนึ่งหนึ่งเนี่ยอนุภาพของชีวิตตินทรียก็เป็นตัวหล่อเลี้ยงรักษาไว้นี่ในเรื่องของนามาทำทีนี้กรณีอย่างนี้ก็คือว่าย่อมเกิดขึ้นเป็นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงอะไรคันทปรินิพานถ้าตราบใดยังไม่นิพานตราบใดเนะี่ย กระแสของสังสารวัตก็ไม่ขาดนั้นมันก็จะต้องดำเนินไปอยู่ตราบนั้นที่นี่การดับขันเพราะกระแสจิตที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องพิเศษนั้นย่อมไม่มีสภาพก็เรียกปราศจากใจครองเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้คืออย่างนี้ถ้าตราบใดพวกนามมรรมเนี่ยยังไม่นิพานตราบใดมันก็จะต้องสืบต่ออยู่ล่าไปนี่เป็นอย่างนี้ แต่เวลาสืบต่อแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนพบเนี่ยเปลี่ยนไปในพบหนึ่งหนึ่งกระแสขันเปลียปล่ยนจากพบหนึ่งหงไปสู่พบหนึ่งหนึ่งเช่นจากมนุษย์ไปสู่ความเป็นสัตว์นรกจากมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานจากมนุษย์เป็นเปรตจากมนุษย์เป็นอสุรกายจากมนุษย์เป็นมนุษย์จากมนาาุษย์เป็นเทวดาเนี่ยหรือเป็นพรหมเนี่ยลักษณะที่กรารเกรราาิดขึ้นสืบต่อเปลี่ยนพบพบหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตตินทยุปเฉทมรณะ คือการขาดลงของรูประชีวิตและนามาชีวิตแต่มันจะสืบต่อทันทีฉะนั้นการสืบต่อทันทีนี่แหละนั่นเป็นเรื่องของสัพพยุตยานเห็นไปเห็นความจริงข้อนี้ก็มาตรัสบอกเราท่านทั้งหลายว่ากระแสชีวิตเป็นแบบนี้กระแสชีวิตเนี่ยสามารถเป็นไปสืบต่ออย่างนี้ด้วยอำนาจของการสืบต่ อ, อยังไม่ขาดสายที่เรียกว่าสังสารวัต การเกิดขึ้นสืบต่อการของขันอายตนาธาตุโดยไม่ขาดสายเนี่ยก็เรียกว่าสังสาระหรือสังสารวัตรมันก็เป็นเอรามันอยู่อย่างนี้แหละท น, นี้บอกว่าการตายมันการเกิดการตายมันเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่าธรรมดาคาปกติก็คือธรรมดาเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเก็บไข่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาไอ้คาธรรมดาเนี่ย ก็คือมันเป็นเช่นนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ไอตัวเวทนาขันเป็นธรรมชาติที่สวยรสแห่งอารมณ์สัญญาขันก็จำอารมณ์ตัวสังขารขันก็ปรุงแต่งวิญญาณขันก็รู้รูปปรธรรมทั้งหลายรูปประขันก็มีสภาพที่ถูกความเย็นและความร้อนนี่เนเะบียดเบียนบีบคั้นแตกสลายไปเพราะความเย็นและความร้อนที่เป็นปฏิปักษ์นี้เป็นต้น รูปขันท่านอุบอุปมาเหมือนกับเอฟมฟองของแม่น้ำเคยเห็นฟฟมฟองของแม่น้ํำไหมเวลาน้ําเนี่ยในแม่น้ํามันจะมีฟฟมฟองอยู่ไอโฟมฟองอันเนี้ยข้างในมันจะมีสัตว์อยู่ถ้าเราเอาอะไรไปทิ่มไปอะไรนิดหน่อยมันก็แตกถูกอะไรนิดหน่อยบางทีลมพัดก็แตกไปแล้วไอสัตว์ที่อยู่ในนั้นตัวมแมลงอะไรก็แล้วแต่มันก็จะบินออกไปนี่เป็นต้นนี่ฟฟมฟองเนี่มันมันมัน มันดูเหมือนมันไม่มีความมั่นคงอะไรเลยนะไอ้ฟูมฟองของแม่น้ําที่มันล อ, อยอยู่ตามน้ำนั่นแหละมันก็เกิดจากไอ้ฟองของแม่น้ํานั่นเองส่วนเวทนาขันมันเหมือนกับฟองของน้ําฝนเวลาน้ําฝนมันตกลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นฟองขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วปุ๊บปุ๊ บ, บ, บก็แตกลงเดี๋ยวนั่นแหละเนี่ยสังขารขันเออสัญญาขันก็เหมือนพยับแดด <c oughs> <c oughs> ความจําได้หมายรู้ทั้งหลายเหล่านี้ใช่ไหม เหมือนเราเดินทางไปล้อนหน่อยมองไปไกลๆมันเห็นเป็นทะเลเห็นเป็นภูเขาเลยแท้จริงไม่มีอยู่จริงอ่ะนีความจําก็เหมือนกันที่เราจําอะไรได้ทั้งหลายเนี่ยนั่นสัญญาขันเหมือนพยับแต่สังขารขันเหมือนต้นกล้วยไปลอกกราบออกมาลอกลอกลอกไปไม่มีอยู่จริงเลยนะไม่มีแก่นไม่มีแกนเลยว่างันแตลอกลอกลอกไปไม่มีอะไรลองลองลอกดูที่ต้นกล้วยตัดมาก็มันลอกลอกกราบออกมาลอกลอกลอกไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย คำวต้นกล้วยก็หายไปไม่มีหรือกลุ่มสังขารละขันที่มันรวมรวมตัวกันอยู่เยอะแยะหมดทั้งโลภะโทสะโมหะโลภะอโทสะโมหะอะไรก็แล้วแต่นี่นะที่มันเป็นกลุ่มสังขารละขันทั้งหลายเหล่านี้ที่มันปรุงแต่งทั้งดีและไม่ดีทั้งหลายนะเหมือนกับต้นกล้วยวิญญาณะขันเหมือนนักมายากลเหมือนมายากลเออมันทาให้เรามันหลอกเราไง ที่เราเห็นน่ยว่าเป็นบ้านบางเป็นรถบ้างเป็นทรัพย์บ้างเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นบ้างเนี่ยมันหลอกมันไม่ไดอยู่จริงใช่ไหมทางเสียงเหมือนกันได้ยินเสียงรถ เ, เสียงบ้านเสียงคนเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมนั้นวิญญาณขันรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหลายเหล่านะี้มันหลอกหมู่มนุษย์ทั้งหลายให้เพ้อฝันจินตน า, าการเหมือนนักมายากลอย่างนี้เป็นตน้นอะไรกันคือกระแสะของชีวิตชีวิตคือขันห้าขันห้าคือชีวิต มันเกิดดับสืบต่อฉะนั้นชีวิตที่มันดับจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมุดเฉทมรณะเนี่ยถ้าเป็นสมุดเฉทมรณะการขาดลงของรูปรชีวิตและนามะชีวิตและไม่มีการสืบต่ออีกเลยนั่นเขาเรียกปริณิพานไอ้ตรงนั้นแหละเอามาพิจารณาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นภัยได้หรือสะดุ้งสะเทือนได้พิจารณาอย่างนั้นกับตื่นเต้นปรารถนาที่จะถึงมัน อยากจะได้ภาวะภ า, าวะการดับขันทัปรินิพานแบบนั้นหรือนิพานแบบนั้นคือไม่ต้องมีการสืบต่อซึ่งเป็นความปรารถนาสูงสุดของพุทธบริษัทซึ่งพระเจ้าก็บอกชี้ทางดําเนินว่าถ้าดําเนินไปตามทางสายนี้แล้วเนี่ยจะไปถึงตัวนี้แหละจะไปถึงซึ่งปรินิพานในจุดติก็คือการขาดลงของโลปรชีวิตและนามชีวิตอย่างเด็ดขาดแล้วไม่มีการสืบต่อพบใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตายจริงๆ น, นี่ตายอย่างเทาวรอนเลยตายแล้วไม่มีการปฏิสนธิคืคอสืบต่อพบใหม่อีกเลยเนี่ยอันนี้เป็นความหวังสูงสุดจุดหมายสูงสุดเขาเรียกว่านิโรธสัจจะเขาเรียกว่าควรประจักรแจ้งควรรู้ถึงควรจะทําให้ถึงให้ได้จริงๆแต่การจะรู้ถึงนั่นได้ก็จะต้องดําเนินไปตามมรรคสัจจะก็คือดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาแต่บรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เราดําเนินชีวิตดําเนินชีวิตกันเนี่ย มันดำเนินไปตามสมุทยัทยสัจจะก็คือให้ตัณหาเป็นตัวนำพากระแสชีวิตที่นี้ตัวตัณหาคือความทยานอยากมันคอยกระซิบตลอดเวลาเลยใช่ไหมมนุษย์เราเนี่ยถามว่าไอ้คว่าตัณหาทุติยปุริโสเนี่ยบุรุษมีตัณหาเป็นเพื่อนสองก็คือตัณหาต้องความทยานอยากที่มันฝังอยู่ในกระแสของความคิดเนี่ยนะ มันก็ปั่นใจปรุงแต่งใจให้มนุษย์ทั้งหลายอยากได้สุขมันก็บอกเราตลอดว่าเออเนี่ยเราอยากอยากได้แหละอยากได้สีที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆสภาพอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ทรัพย์อยากได้บุตรอยากได้ภรรยาอยากได้สามีอยากได้เกียรติยศชื่อเสียงอยากได้เงินทองอยากได้สถานฐานันดร มากมายเหลือเกินอยากเป็นใหญ่เนี่ยไอ้ตัณหาตรงนี้มันก็กระซิบที่อยากได้อย่างนี้เพราะตัณหามันต้องการอะไรมันต้องการเวทนาสิ่งที่ตัณหาต้องการคือเวทนาคือเป้าประสงค์ของเขาและตัณหามันเมื่อต้องการเวทนาแล้วก็ต้องการจะขวายคว้าร่านลนดิ้นลนกระเสือกกระสนสแสวงหาเอาเวทนามาสนองอัตตาตัวตนซึ่งมันไม่มีอยู่จริงอัตตาตัวตนมันไม่มีอยู่จริง เจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะรูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปมันไม่มีเวทนาเป็นเราเราอยู่ในเวทนาเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาสัญญาอยู่ในเราเราอยู่ในสัญญาสังขารการบูต่งเป็นเราเราอยู่ในสังขารเป็นต้นเหล่นี้ตลวิญญาณเป็นเราเราเป็นวิญญาณวิญญาณอยู่ในเราเราอยู่ในวิญญาณเนี่ย เจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีแก่นมีแกนมันไม่มีอัตราตัวตนสิงอยู่เลยแม้แต่น้อยมันไม่มีเราเลยมันมีแต่สภาพเกิดดับสืบต่อเหมือนฟ้าแลบเราก็ไปยึดฟ้าแลบว่ามันเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นของมันมีอยู่จริงมันมันมีอยู่จริงในขณะนั้นแต่มันก็แตกดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้แต่ไอ้ตันหามันไม่เข้าใจเพราะตันหาก็เป็นหนึ่งในขันทีนี้พอตันหามันร่านรนแล้วมันก็ร่วมกับกรรมในทีนนี้ มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังมีความไม่รู้อวิชชาอยู่เบื้องหลังมันเกิดร่วมกันกับกรรมเพราะเกิดความต้องการขึ้นมามันก็ทํากรรมทางใจก็เรียกมโนกรรมพูดออกมาทางวาจาเป็นวจีกรรมทําออกมาเป็นกายกรรมพอทํากรรมขึ้นมาเนี่ยไอ้กรรมที่ตัณหามันเกิดร่วมที่เรียกเป็นสมุทัยสัจจะเนี่ยพอทํากรรมขึ้นมามีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมามีความไม่รู้ขึ้นมามีการปรุงแต่งขึ้นมามันก็นําพาให้ได้เลยทุกขสัจจะ ฉะนั้นตันหามันจึงเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนทุกสัจจะผลิตรูปขันเวรานาขันสัญญาสังขารวิญญาณผลิตตาหัวจมูกเล่นกายใจกระแสชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาได้เนี่ยนี่เป็นผลงานของสมุทยษษษัยสัจจะเป็นผลงานของไอโรงงานผลิตตัวเนี้ยฉะนั้นเรามีตันหาเป็นเพื่อนขันหนี้มีตันหาคอยกระซิบมีตันหาคอยบงการมีตันหาคอยคอนโท ร, รกำกับจิตระดับเวลา มีความไม่รู้ปิดบงังทำให้ไม่เห็นความจริงเกิดร่วมกันกับกรรมเกิดร่วมกับสังขารปรุงแต่งแล้วก็ทำกรรมกันใหญ่โตเลยทีเนี้ยเนี่ยมันก็เลยได้มาซึ่งทุกขสัจเลยทีเนี้ยมันได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจมาไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสัจจะอยู่สัจจะหนึ่งก็เรียกทุกขสัจจะไอ้ทุกขสัจจะเนี่ยเป็นสัจจะที่ควรเจริญที่ไหนไม่ใช่ควรรอบรู้ควรกาหนดรู้แต่เราก็ไม่รู้จักขันห้าอีกไอ้สมุทัยสัจจะก็ไม่ควรเจริญนตัณหาเนี่ยควรละควรประหาร แต่เราก็ไปทำให้มันเกิดให้มีขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเป็นตัวสมุทยัยเป็นตัวประกอบทุก์มันเป็นตัวปฏิจจสุบาสายเกิดเลยไีนี้ปใหญ่เลยเี๋นี้แล้วเราก็ดำเนินตรงนี้แหละทีนี้พอตัญหามาเป็นเพื่อนสองตันหามันต้องการอะไรมนุษย์ก็ตามใจมันตันหามันเข้าใจว่าถ้าได้บ้านแล้วมันจะได้สุข ได้รถแล้วจะมีความสุขได้ภรรยาจะมีความสุขได้สามีจะมีความสุขได้ลูกก็จะมีความสุขได้เงินทองจะมีความสุขได้ฐานันดรได้ยศถาบรนาศัก์ได้ทรัพย์จะมีความสุขโอ้โหวิ่งใหญ่เลยถึงร่านร่นกระเสือกกระสนไปตามสภาพของตัณหาบงการพอไปได้ขึ้นมาปุ๊บเช่นได้กินอาหารปุ๊บมันสุกปุ๊บหายไปแล้วหาไม่เจออีกตัณหาบอกว่าหาใหม่หาใหม่สิว่างั้นนะวิ่งต่อไปอีก ไปได้มาปุ๊บเอาได้สุกมาแป๊บเดียวหายไปอีกแล้วไม่รู้มันหายไปไหนตรงไหนวิ่งหากันอยู่เนี่ยเพราะไอ้เวทนามันไม่เที่ยงไอ้สุขเวทนามันก็เกิดดับสืบต่อยต้นหารว่าที่ต้องการใี่มันสุกนานๆแล้วก็ต้องการจะเอามาสนองอัตราตัวตนตัวเองให้ได้แล้วต้องการจะครอบครองต้องการที่จะให้มันมั่นคงให้มันถาวรทาทุกอย่างเอาแล้ว มีบ้านต้องทํำยังไงตกแต่งบ้านจะมีความสุขตกแต่งบ้านจะทําไงถึงมีความสุขมีตู้เย็นอมีตู้เย็นทําไงจะมีความสุขคมีเตียงให้เด็ะมีเตียงเราจะทำไงมีความสุขมีคนใช้อมีคนใช้ทําไงจะมีความสุขโอ้ใหญ่เลยแเนี้ยรานล่นกระเสิกระสนวิ่งผ่านกันอยู่อย่างนี้แหละนี่คือนี่คือตัณหามันบงการที่นี่เราเชื่อมันเรามีตัณหาเป็นเพื่อนเป็นกันมิตรมันเป็นป่าประมิตร มันไม่ใช่เป็นกาลยานมมันเป็นปารมิตรที่แต่เนี้ยมันก็กระซิบใหญ่แต่เนี้ยอยากได้อะไรโอ้ดินลนกันใหญ่แต่เนี้ยเนี่ยมันก็ได้มากันแล้วแต่เนี้ยคนละขันทางระบรธรรมเลยนะบรมธรรมโอ้โหพอได้มาแล้วเดือดร้อนเลยแต่เนี้ยต้องประคบประงมดูแลยากต้องบริหารจัดการยากโอ้สารพัดเลยแต่เนี้ยแค่จะไปกินน้ําอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมันไปหมดเลยเอาผมไปด้วยเอาขนไปด้วยเอาเล็บไปด้วยเอาฟันไปด้วยเอาหนังไปด้วย แค่อยากจะไปไหว้พระไปทําอะไรอย่างเดียวเอาใจไปอย่างเดียวไม่ได้แบกบไปแบกบคันธพาลัไปเอาเหน็ดเหนื่อย อ, อู้หูอึดอมแล้วเกินเดีย๋ยวเนี่ยมันก็เป็นมันอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนการพอไปเจ็บป่วยขึ้นมาก็งงกันเป็นแถวเป็นแนวเดี๋ยวนี้เอาเละไปเยี่ยมกันเอ้ยทำยังไงหายเอาเละมันจะหายได้ไงไม่ตายวันนี้ก็ตายพรุ่งนี้ไม่ตายพรุ่งนี้ก็ตายมะลืนนี้มันตา ย, นนยามาันัะได้ยังไงล่ะเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ย ความจริงเป็นเป็นอย่างเนี้ยเออแต่นี้ถ้าเรายังเชื่อตัณหาอยู่ตัณหามันก็พาประกอบอะไรประกอบกรรมที่เป็นสมุทัยสัจจะกรรมดําก็เป็นสมุทัยสัจจะกายโยุจริญวจีทุจริญเมโนโยตุจริญเนี่ยเป็นเป็นสมุทัยสัจจะทาให้ได้อบายทุกติวิบัตินโลกเห็นไหมได้กระแสของขันเหล่านั้นก็เป็นทุกขสัจจะเป็นเป็นสมุทัยสัจจานําให้ได้ทุกขสัจจะกรรมขาวกายโยตุจริตวจีสยุจริตเมโนโยตุจริตก็ทําให้ได้มนุษย์เทวดาพรหมไงอ้าวเป็น สมุทยาาายัยสจัยกแล้วกรรมทั้งดํากับขาวค้าเคล้ า, ากันเนะก็ได้สมุทยาาายัยสจักอยู่ดีเป็นสมุทยาาายัยสจักที่วิ่ง <c oughs> เดี๋ยวลงเดี๋ยวอบายทุกติวิบาตในโลกเดี๋ยวสุกติลูกสวรรค์อยู่อย่างเงี้ย <c oughs> เห็นไหมสรุปแล้วก็คือเนี่ยถ้าตัณหาเป็นแบบนี้ตัณหามันไม่มีทางที่มันจะเป็นมาารรคสจักได้ทีนี้ทํำยังไงล่ะเราจะเปลี่ยนตัณหาเป็นศรัทธา ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนตัณหาคือความทยานอยากให้เป็นศรัทธาคือความเชื่อมัน่นไม่มีทางถึงบอกว่าถ้าปรารถนาจะดําเนินไปตามมรรคสัตย์เรายังไม่คุ้ไม่รู้จักมรรคสัตย์เลยคนก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตัณหาเป็นศรัทธารู้จักคำว่าศรัทธาไหมถ้าศรัทธาก็ต้องให้ได้เป็นตัถาคตโฟที่ศรัทธาด้วยเนะเพราะถ้าศรัทธาเป็นกรรมะศรัทธาวิบากษัตรายก็ยังไม่ชัดอีกใำไมศรัทธาความเชื่อมัน่นเหมือนกันเนี่ยไปเชื่อผิดจริงทําไงใช่ไหม วันก่อนไป เ, เนี่ยไปเยี่ยมหลวงพ่อดีหละทุกคนโอเป็นห่วงก็ไปดูไปพูดกันก็บอกว่าโอ้ทา บ, บุญมาดีไปถึงเขาก็คุยกุศลกันทนะ่านก็ไปยืนฟังเขาเขาคุยว่าเนีย่ยทา บ, บุญมาดีนะ ก็ยังไม่มั่นใจล็อกทําบุญเงินขนาดนี้แล้วเหมือนพวกเราเป็นกันนี่นี่กลุ่มนักศึกษาพรวิธรรมต่างนะเรียนกันเย้นปฐฐานเนี่ยตั้งแต่โอ้ทําบุญมาขนาดนี้ไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจว่าจะไปได้สุคติหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเจอพระสิยมิตาก็ไม่รู้นี่ไง น, นะไม่มั่นใจกันเลยในขณะที่คุยกันอยู่เนะี่ยไปอีกสองห้องสามห้องเขากําลังทําละหมาดกันพวกตะวันออกกลางมารักษาเยอะโอ้เปนสวดกัน สวดกันอย่างเพ้นงจังก็ไปเข้าห้องน้ําเดินมาจังก็มานั่งนึกเออเนี่ยไอ้เจ้าพวกเนี้ยขอไปเนี่ยเขาไม่เคยไม่เชื่อเลยนะว่าถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยพระเจ้าจะไม่หยิบดวงวิญญาณเขาโยนไปในสวรรค์เขาเชื่อมั่นเขาเชื่อขนาดนั้นนขนาดเขาทําชั่วนี่นะเอาระเบิดไปเพีชีพขอไปเนี่ยเขาเชื่อว่าเนี่ยด้วยการทำกรรมอย่างเนี้ยทําเพื่อพระเจ้าเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่า ตายไปแล้วพระเจ้าจะหยิบดวงวิญญาณเขาโยนไปสวรรค์เพราะเขาทำบูชาพระเจ้าเขาเอาละเสียตอนนี้อันนี้อันนี้ น, นี้อันนี้ไม่ได้ไปตาหนิอันนี้เป็นความเชื่อแต่ต้องการชี้กลับมาว่าชาวพุทธของเราทำไมความเชื่อมันไม่แข็งแรงมันเป็นความเชื่อแบบโลเลและหลักรอยเมื่อกิ้เพราะอะไรรู้ไหมอันนี้มาปลาลบให้ฟัง ทำไมพวกเราจึงไม่มีความมั่นใจเลยว่าเราไปสุขติได้แน่นอนเรานิพพานได้แน่นอนเนี่ยมันทำไมไม่มีตรงนี้มันขาดอะไรเห็นไมเพราะให้ให้ดูองค์คนของศรัทธาในคมภีสั่งยุทธ์นะเมื่อศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วศรัทธาเกิดในกระแสขันกระแสชีวิตของท่านพุดายแล้วศรัทธามันมีสองลักษณะหนึ่งผ่องใสสองโลดแล่นคือแล่นไปใช่ไม ที่เรียกว่าภาษาทะเนี่ยที่ว่าเลื่อมสายเนี่ยกับคําว่าปักขันธนะถ้าปักขันธนะก็แปลว่าดิ่งลงดิ่งลงคือแน่นไปทีนี้ถ้าเลื่อมใสา่พองใสธรรมชาติของศรัทธาเวลาเกิดขึ้นในใจของท่านผู้ใดแล้วเนี่ยจะกําจัดอะไรกามาฉันทะก็เรียกวความกําหนัดใช่ไหมพยาบาทความหมงุดหงิด ทีน้มิทาความหดหู่ท้อถอยอุทธิจักกุกุจ่าพุ่งสร้างลาคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยแปลว่าอะไรถ้าใครมีศรัทธาโลดแล่นในเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเนี่ยวเวทนาขันจะไม่สงสัยจะไม่ลังเลสงสัยเลยจะผ่องใสสัญญาขันก็จะผ่องใสสังขารละขันที่เหลือก็จะผ่องใสวิญญาณกับจิตจิตก็จะผ่องใสเป็นสภาพที่ผ่องใสคลีนเลยตอนนั้นนะนะสะอาดเลยไม่มีการมาฉันท่พยาบาททีน้มิถาอุทธิจักกุกุจ่แล้ว เป็นสภาพที่พ่องใสเหมือนพระจันทร์วันเนพ็ญผ่องใสเหมือนแก้วมณีเขาบอก ง, งั้นเหมือนแก้วมณีหรือพองใสถ้าอย่างน้ําที่ใสใช้สารส้มเข้าไปแกว่งแกว่งแกว่งแกว่งแกว่งใสไหมใสเลยเนี่ยเจ๋วเลยเนี่ยนะเออเนี่ยตอนเนี้ยเราไม่เอาศรัทธาเข้าไปแกว่งในใจเราเนี่ยมันก็เลยขุ่นมัวมึดตึ๊ด มืดตื้อเลยทีนี้คนมัวเพราะกามาฉันท่าพยาบาทีนะมิได้อุดไดจากโกกุจจาวิจิกิจาฉะนั้นศรัทธาเวลาเกิดขึ้นในใจท้ามือใดจะใส่อะไรเนี่ยประการที่หนึ่งสองดิ่งลงแล่นลงคําว่าดิ่งลงแล่นแล่นไปในที่นี้ก็หมายความว่ า, านําพาขันเนี่ยคือน้ำมาทำเนี่ยให้แล่นออกออกจากอะไรกามโมคะโอฆะคือการคือกาบมตัวตันหาแล่นออกจากตันหาแล้วไม่เอาแล้วแต่ก่อนเราตันหาเป็นเพื่อนใช่ไหม ศรัทธามันจะแล่นออกจากตันหาแล่นออกจากตัวโลภะศรัทธามันจะแล่นออกจากทิฏฐิไอ้ทิฏฐิคือความเห็นผิดทั้งหลายมันจะแล่นออกไปนะแล้วก็ศรัทธามันจะแล่นออกจากการยึดติดในขันธ์ในภพศรัทธามันจะแล่นหนีความไม่รู้เอาวิชาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นมันแล่นไปหาอะไรเมื่อเกิดศรัทธาแล้วมันจะนำพากระแสชีวิตเนี่ยเข้าไปหาสัตว์บรุษหาสัตว์บรุษหาอริยะ เพราะศรัทธามันจะมีว่าปรารถนาจะฟังพระสัธรรมปรารถนาจะเห็นอริยะหศรัทธาจะเป็นอย่างนี้ลักษณะของศรัทธาเนี่ยไม่มันไข้เลยนะไข่ที่จะเห็นสัตว์บุตรไข่ที่จะเห็นอริยะไข่ที่จะฟังธรรมของสัตว์บุษรไข่ที่จะฟังธรรมของอริยะพอศรัทธาเกิดขึ้นมาปุ๊บแหลนไม่สนมันไม่ติดกรรมาคุณนะไม่ใช่โอ้ห่วงบ้านห่วงทรัพย์ห่วงรถห่วงบุตรห่วงภรรยาไม่กล้ากนาพากระแสชีวิตออก เนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกไม่ใช่ศรัทธาแล้วถ้าศรัทธาเนี่ยมันตัดเลยตัดปุ๊บมันแล่นมองเห็นยังมันแล่นไปหาพอแล่นเข้าไปแล้วแต่เข้าไปใกล้แล้วนั่งใกล้เงียบโสดลงเนี่ยเนี่ยมันจงตามลําดับตรงนี้ยตั้งจิตสดับตั้งใจที่จะรับรู้มรณสิการแปลว่าสัตยานบอกว่าคุณมรณาสิการให้ดีใส่ใจให้ดีนะ คอุอยู่ใกล้สัตว์บูดุษแล้วอยู่ใกล้ภาริยะแล้วไก่อยู่ใกล้ในการที่ฟังพระสัตธรรมของพระริยะเป็นต้นเหล่านี้แนละ้วคุณมนสิการตั้งโยนิโสมนสิการที่ดีในการที่น้อมจิตลงปรองใจในการที่ตั้งใจใฟังตัดความกังวลทั้งหมดตัดความคิดฟุ้งซ่านทั้งหมดตัดเรื่องราวทั้งหมดเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าขันห้าของคนที่มันวิ่งพลุกพลานไปในสังสารวัฏที่มันออกจากสังสารวัฏไม่ได้เนี่ยเพราะไม่ได้เห็นสัตว์บูด เพราะพอมีตัณหาเป็นเพื่อนมานานแล้วตอนนี้เราเขาจัดออกไปแล้วตัณหานั้นตอนนี้เอาศรัทธามาเป็นเพื่อนสองแล้วศรัทธามันจะพาเข้าไปหาสัตว์บุรุษเข้าใกล้นั่งใกล้เงี่ยสวดลงสดับตั้งจิตรับรู้แล้วก็ตั้งใจฟังทีนี้พอตั้งใจฟังทำปุ๊บแล้วเมื่อสัตว์บุรุษเป็นต้นแสดงธรรมกล่าวความจริงให้เห็นเช่นกล่าวความจริงว่ารูปขันเป็นอย่างนี้เวทนาขันเป็นอย่างนี้สัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน ตาหูโหยวกริ้นกายใจเป็นอย่างนี้ศรัท ธ, ธาเป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนี้สมาธิปัญญาเป็นต้นเนเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็เพ่งพินิษใช้สติจับข้อมูลที่กาลังฟังนั้นน่จับดึงตรึงไว้ตรึงไว้ตรึงข้อมูลนั้นไว้แล้วก็จดจอ่อเพราะจดจ่อที่เป็นกลุ่มสมาธิต่งหลายปัญญาก็สอบสวนตรวจสอบทีนี้ คำทั้งหลายมันทนต่อการเพ่งพินิษร์พอเ พ, เพ่งไปมันเห็นจริงตามนั้นเนร่ะพอเห็นจริงกันตามนั้นเหมือนเกิดฉันทะอย่างแรงกล้าเกิดอุตสาหะเกิดความเพียรกล้ า, ลาแล้วก็เกิดสติในการระลึกเกิดญาณปัญญาที่จะแทงตลอดตามความจริงอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมศรัทธาพามาหาอะไรศรัทธาพาเข้าหาปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฐิเห็นไหมตัวศรัทธานี่แหละ เมื่อศรัทธาที่ถูกต้องและศรัทธาจะนํำก็หาสัตว์บุตรเพื่อต้องการจะได้ตัวเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเห็นไหมความเห็นที่ถูกต้องความดับหิีที่ถูกต้องคําพูดที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องเลี้ยงชีพที่ถูกต้องเพียรพยายามที่ถูกต้องระลึกที่ถูกต้องตั้งมั่นที่ถูกต้องเนี่ยการที่จะดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาได้ตัวศรัทธานี่เป็นตัวนําล่องก็หาอริยมรตมีองค์แปหรือมัชฌิมาปฏิปทมเมื่อศรัทธานํำก็หาปัญญาปุ๊บเอาหรืสิทีเนี้ย ก็ฟังพอฟังไปเสร็จปุ๊บก็เริ่มมาตั้งมั่นดำเนินกระแสะชีวิตแล้วจะทํากระแสะชีวิตพฤติกรรมให้เป็นไปกับกุศลศีลอย่างไรสภาพจิตใจเป็นไปกับความเพียรที่สร้างสรรสติสมาธิเป็นต้นอย่างไรแล้วกัทัศนคความเห็นให้เป็นไปกับปัญญาอย่างไรก็เลยดําเนินไปตามศีลสมาธิไปจบลงตรงที่ปัญญาไอ้ตรงเนี้ยศรัทธาถ้าเกิดร่วมกับกับปัญญาอย่างรากลึกถึงปัญญาที่ได้ตดถาคตโพธิศรัทธาเมื่มอะไร ชัดแล้วเขาเรียกว่าจากปักขันธนะเนี่ยจะแล่นเข้าสู่ความเป็นอ จ, จระสัทธ mm hmm. าก็ได้กาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพราะว่ามีปัญญาอย่างเห็นความจริงทีนี้ที่จะพูดกลับมาตรงนี้ก็คือว่าที่ไปเห็นเนี่ยชาวพุทธของเราเนี่ยมันโลเลเกินไม่แข็งแรงทั้งๆ ท, ง ท, งที่ไม่ควรเป็นอย่างนั้นศึกษาฟังพระธรรมคําสอนกันอย่างดีแล้วเนี่ยควรจะมี ปักขันธะแล้วก็พัฒนาไปสู่อัจฉระไอ้ปักขันธะเนี่ยนะมีการที่แล่นไปหรืออยัางลงทั้งหลายเนี่ยเป็นตถาคตโพธิสัต t เชื่อมั่นปัญญาตัสรู้ของพระพุทธญาของพระตถาคตพระตถาคตเป็นตัวแทนของมนุษย์เป็นองค์แทนของมนุษย์เป็นมนุษย์ท่านแรกที่สามารถแหวกม่านคืออวิชชาและตัณหาทั้งหลายเหล่านี้ ที่มันกางกั้นกระแสะขันของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำลายความมืดบอดทําลายอวิชชาทําลายตัณหาทําลายอุปาทานทําลายสังขารและทําลายกรรมที่เป็นตัวสมุทัยสัจจะทำให้กิเลสเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นไ ร, ไนไรทำให้กิเลสเหล่านั้นน่ยหยุดตัวได้ก็เชื่อมั่นปัญญาที่ตัดสู้ทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธาสัจจะมรรคสัจจะคือปัญญาที่ไปรู้ว่าทุกเนี่ย เป็นกิจที่ควรกำหนดรู้เราไม่ต้องไปทำอะไรมันก่อนสมุทัยเนี่ยเป็นกิจที่ควรละควรประหารเราก็ไม่ต้องไปประหารไปละอะไรมันก่อนนะให้เข้าใจก่อนว่ากิจควรดาเนินกับเขาอย่างไรนิโรธาสัจจะเป็นกิจที่ควรรู้ถึงควรประจักแย้งนี่เราก็ยังไม่ต้องทำอะไรมันแต่มารคสัจจะเนี่ยเป็นควรเจริญควรลงมือทาเนี่ยทาข้อเดียวข้อนี้ เมื่อไปดำเนินบอกว่าโอ้ศรัทธาตัวเนี้ยไปเชื่อมั่นปัญญาตรรู้ของพระุทธเจ้าแล้วก็ไปฟังพอฟังแล้วเกิดความเข้าใจก็เลยเชื่อมั่นว่าเราก็เป็นมนุษย์เราจะฝึกกระแสะขันห้าให้ดำเนินไปตามมรรคคาของพระเจ้าจุดหมายเพื่ออนุปปาทาปรินิพานให้ได้พอเกิดความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยความหวั่นไหวหายไหมความหวั่นไหวความไม่แน่นอนใจความไม่มั่นลงความไม่ดิ่งลงความไม่ปักลงเนี่ยจบเลยแต่เนี้ย มันควรเป็นแบบนี้สิเพราะมันย่างลากลึกลงสู่ปัญญาที่รู้ความจริงไม่ได้ย่างโดยทิฏฐิถ้าเป็นศรัทธาที่เกิดร่วมกันกับทิฏฐิหรือเกิดร่วมกับโมหะเขาเรียกว่าอธิมโมกมันตัดสินใจเชื่อแล้วมันยึดมั่นของมันอย่างจริงจรจังๆไม่สนใจพร้อมที่จะรุนแรงถ้าใครมาตาหนิอันนั้นมันโมหะ สัทธานี้อกุศลที่เขารุนแรงได้เพราะอะไรเพราะเขาเสพบ่อยๆเสพบ่อยๆเหมือนคนโลภเนี่ยเหมือนคนโกรธเนี่ยเมื่อเขากระตุ้นบ่อยๆกระตุ้นบ่อยๆมันเลยดูเหมือนมั่นคงแต่จริงๆมันไม่ได้มั่นคงมันหวั่นไหวมันมีพลังน้อยมันมีอนุภาพน้อยอกุศลเนี่ยแต่ศรัทธาที่เป็นโสภณธรรมเนี่ยมันมีอนุภาพมากมีพลังมากมันเป็นศรัทธาพระมันมีพลังมากมันกําจัดอสัตยย่าความไม่มีศรัทธาได้ มันถ้าลองเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆบ่อยๆนี่มีพลังมากเลยอะวุริยภาพละเนี่ยมันก็กําจัดโกสัจฉะอากุศลได้ก็มีพลังมากเหมือนกันออกจากอารัปธาต์นิ ก, กรมาธาตุปรกรรมาธาตุใช่ไหมเพียรเริ่มต้นแล้วก็เพียรออกจากความเกลียดค้านแล้วก็เพียรลดหน้าก็สู่ความเจริญงอกงามเล ย, ยนี่เป็นต้นสติเนี่ยกำจัดมุตตัดสติคือการหลงลืมสติกาดฝ่ายากุศลได้ก็เป็นการกําหนดหมายได้อย่างมั่นคงแข็งแรง สมาธิก็เป็นสมาธิพละมันก็กำจัดอุท ธ, ธจักรอกุศลคือความฟาุ้งซ่านลำคาญใจเป็นต้นได้เข้าถึงความตั้งมั่นแห่งจิตปัญญาก็กำจัดสัมโมหะอกุศลคือความหลงความมืดบอดเข้าสู่ความโปร่งโล่งเบาวสว่างมองเห็นอะไรชัดแยกอะไรได้ชัดเจนเพราะศรัทธาวิริยสติสมาธิมาเป็นองค์คุณนำพากระแสขันห้านั่นแล้วไปไปเชื่อมลงที่ปัญญาเมันเลยเรียบร้อยเลยจาก จากศรัทธาธรรมดาก็กลายเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวด้วยอกุศลไม่หวั่นไหวด้วยทุจริตไม่หวั่นไหวด้วยบ่าปกสุรกรรมชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยศรัทธาลักษณะเนี้ยที่พุทธบริษัทควรมีควรเป็นควรทําองไม่มีให้เกิดขึ้นงนี้เป็นต้นฉะนั้นเวลาคิดถึงความตายไอ้รูปประชีวิตตินทรีย์นามชีวิตติณีเนี่ยคือการขาดลงของรูประชีวิตและนามชีวิตในพบหนึ่งหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าตายเนี่ย พอเห็นมรณะภัยอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรแกล้กลาอาถานเกิดความแกล้กลาอาถานขึ้นมาแล้วก็สะดุง้งถ้าใช้คำว่าสะดุ้งไม่ใช่กลัวนะใจมันเกิดมีพลังขึ้นมามันเห็นความจริงมันเห็นความจริงเห็นโทษในสังสารวัตว่าเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เนี่ย วัฏะในอดีตที่ผ่านมาเราทํากรรมมามากมายแล้วถ้าตราบใดถ้าเราเรายังอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกเราก็จะต้องไปทํากรรมสหัสกันอีกมันเกิดความสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยในสังสารวัฏยังความไม่ประมาทได้ถึงเพราะมีสติกํากับอยู่กับตัวมีความเพียรที่สร้างสารรมีปัญญาที่เข้าไปรู้และเข้าใจตาความจริงของชีวิตพอรู้และเข้าใจความจริงของชีวิตขึ้นมาแนี้แหละ แต่นี้มันเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทไอ้ความไม่ประมาทก็คือการเป็นอยู่โดยการมีสติกํากับตัวเริ่มมาแล้วแต่นี้จะไม่ปล่อยให้บาปอากุศสลกรรมมันชั่วร้ายไหลเข้าสู่จิตแหละแต่นี้เพราะความไม่ประมาทมันทํางานฉะนั้นราคะโทสะโมหะเนี่ยปิดเลยไม่ให้เข้ากายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตไม่ให้เข้าเพราะงั้นเดี๋บาปอคุโสลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายทั้งบาปเก่าบาปใหม่ไม่เข้าสติปิดเพราะอะไรเพียน เพราะมีความเพียรที่สร้างสรรในการที่จะประคองให้สติทําหน้าที่ทั้งความเพียรที่สร้างสรรค์ก็ดีอสติที่ทําหน้าที่ก็ได้มีแต่ความเชื่อมัน่นเพราะมีความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นในการการณีการจะปิดบาปประเสรธรรมอันชั่วร้ายความเชื่อมั่นมาจากอะไรความเชื่อมั่นมาจากข้อมูลใช่ไหมข้อมูลจากการเสกสุตตาจากการฟังพอฟังแล้วก็มาตกผลึกในการคิดพอคิดเบ็เสร็จก็ลงมือปฏิบัติการนี้เป็นต้นมันมันเกิดมาอย่างนี้ ต้องเข้าถึงปัญญายิ่งปัญญาเข้าไปรู้ความจริงเท่าไหร่ก็ยิ่งชำระใหญ่เลยเยจากความเพียรจากความเชื่อมั่นสู่ความเพียรจากความเพียรสู่สติจากสติสู่ความตั้งมั่นแห่งจิตจากความตั้งมั่นแห่งจิตเข้าสู่ปัญญาจากปัญญาก็มาชำระความเพียรเมื่อมาชำระความเชื่อมัน่นให้พองใสามากขึ้นให้ถูกทิศถูกทางมากขึ้นมันก็เลยลันเป็นวงกลมกันเลยแต่เนี้ยเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนแก่กันและกันชำระไม่หยุดไม่หย่อน ก็เกิดแล้วแล้วเล่าแล้วแล้วเล่าแล้วแล้วเราเรามีพลังขนาดนี้บาปโอ้โหถอยหายละห้าวาสิบวานะครนะครับก็ไม่ไม่เข้ามากล้ามกายกระแสชีวิตเลยอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้ววันนี้นะเรามาปารบในการที่จะบูชาบูชาพระธนตรัยได้ปารบความตายกับเนี้ยของชีวิตเนี่ยตอนนี้ขันห้าเราของเราท่านทั้งหลายมาไปชมกันนะสถานที่แห่งเนี้มีโอกาส ที่จะนำพากระแสชีวิตเนี่ยทากิจในการบูชาพระพุทธเจ้าเอาละสิตอนนี้เรานำขันห้าแล้วคือก่อนหน้านั้นเราครบตันหามันพาเรามั่วหมดหมกมุ่นในกาโอโหบางทีไม่อยากมองย้อนหลังว่ามันเดอันนี้แค่ชาตินี้นเนี่ ย, ยมันมันมั่วหมดแล้วมาวันนี้เลิกครบประกาศต้องประกาศเลยนะ ตั้งเจตานาบอกไม่เอาแล้วพระมีตัณหาเป็นเพื่อนมันนำพาเข้าสมุทยาาาัยสัจจะเป้าหมายคือทุกขสัจจะตอนนี้เรามีศรัทธาเป็นเพื่อนจะพาเราวิ่งหามรรคสัจเป้าหมายคือนิโรธสัจเป็นคนละส่วนกันแล้วแต่เนี้ยเออมันมันต้องให้ชัดบางคนยังลังเลอยู่เลย อ, อย่างประเภทที่จะเอาตัณหาหรือเอาศรัทธาทกลงยาตัณหาหรือศรัทธาเป็นเพื่อน ก็ต้องให้ชัดลงไปว่าจะครบรัตธาเป็นเพื่อนไม่ต้องการทุกขศัตรต้องการนิโรธาศัต์นั่นคือจุดหมายและต้องการประกอบมรคษัตร์แต่ถ้าตัณหาเป็นเพื่อนมันต้องการทุกขศัตรมันประกอบสมุทัยสัจจะใช่ไหมจะเดินทางไหนก็ให้ชัดคนที่ไม่ชัดเน่ยเขาเรียกวิจิกิจฉาเขาเรียกโมมูหจิต จิตที่หลงอย่างยิ่งหลงอย่างมากหลงอย่างเหลือเกินยงหลงยกําลังสองมันหลงมากโมหะมันจัดไอ้ต่นี้ให้มันชัดลงไปว่าโอแล้วไม่ใช่เออผมไม่มั่นใจเลยว่าผมจะได้สุคติหรือเปล่าไอ้นี่ไอ้นี่ยเนี่ยไอ้นี่แปลว่าอะไรเนี่ยก็เลยชี้เห็นในที่ก็ละหมาดเนี่ยเขาออกมาตาเขา ขมึงถึงมั่นใจว่าพระเจ้าต้องต้องพิภาคษาหยิบดวงวิญญาณเขาขึ้นสวรรค์แน่นอน mm hmm. เขาถึงทำวันละห้าครั้ง mm hmm. เขาจึงประกอบอย่างนั้นห้าครั้งเราอ่อนแอเหลือเกินเนี่ยพอไปเห็นอย่างนี้ก็รู้สึกโอ้โหที่เราเรียนกันมาทำไมมันมันเป็นเครื่องกั้นขนาดนี้วะ ้าไมปริยัติทไปขึ้นเครื่องกั้นเธอเองแท้จริงจะเป็นอุปกรณ์กับไม่เป็นอุปกรณ์กับกายเป็นเครื่องกัน้นทำให้ตนเองไม่มั่นใจบอกโหท่านเราไม่เคยรู้เลยในอดีตเราทำกรรมอะไรมาแล้วคุณจะไปรู้ทำไมใช่ไหมจะไปรู้ทำไมถ้าปัญญามันยังไม่รู้ ให้พัฒนาความเชื่อมั่นในคาสอนศึกษาคำสอนก็ให้รู้เท่าที่ปริมาณที่จะรู้ได้มันกลายเป็นวิตกจริตเปนวิตกจริตก็คือว่าเนี่ยเรื่องแค่นี้มันเรื่องแค่สิบเปอร์เซ็นตมันคิดจะเก้าสิบคิดจะร0อยเกินก็เหยุดเลยทีนี้มันวิตกกังวลไปซะเกิดเหตุเลยช่ไว้แล้โอ้โหถ้าอย่างนี้เราแล้ว แล้วแล้วกุศลมันจะเกิดยังไงตรงนี้อันนี้เป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนฮนะอันนี้พูดให้ผู้เรียนฟังแต่นคนไม่เรียนก็ไม่ต้องไปไปกังวล น, นี่ผู้เรียนเนี่ยพูดให้ผู้เรียนเนี่ยฟังที่มานั่งท่องบาลีการท่องเลียงเรียนอวิธ ร, รมกันอยู่เล่นไปเรียนมากลายเป็นเครื่องกันตรงนี้โอเราจะรู้ได้ยังไงเราจะได้สุคติหรือตุคติอันนี้ี้ก็จบเลยเงี้ย สมุทยยจจะสจักเขายังชัดเจนนะเขายังชัดเจนว่าเขาจะเอาทุกขสัตว์ <c oughs> ใช่ไหมล่ะเขาต้องการเหตุผลเพราะเขาไม่รู้มันเป็นทุกข์เพราะเขาต้องการเวทนาสุขเวทนานั่นแหละไอ้ตัวสุขเวทนาเป็นทุกขสัตว์ไงพอต้องการสุขเวทนาก็ต้องการสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณมันก็ต้องการดปวยทั้งหมดเอาแล้วแต่นี้ฉะนั้นในกรณีแห่งการที่บอกว่าถ้าเป็นสมุทเฉทมรณะ การขาดไปของวัตถาพระหานนิพพานนั้นไม่ต้องไปกลัวแล้วถ้าเป็นคณิการมรณะ ท, ทุกพังคะขนาของรูปธรรมและนามธรรมมันแตกดับอันนี้ก็ไม่ใช่เอามาพิจารณาสมมติมรณะจึงไม่ใช่อารมณ์ใหญ่เลยเช่นต้นไม้ตายนาฬิกาตายเนี่ยแต่ที่เราควรเอามาพิจารณากันก็คือเรื่องชีวิตติทริยบ ป, ปเฉชมรณะการขาดลงของรูปรชีวิตนา ม, มาชีวิตในพบหนึ่งหนึ่ง การขาดลงในรูปรชีวิตและนามชีวิตในพบหนึ่ ง, งมันก็เลยมีการตายอยู่สองอย่างที่ว่าตายในเวลาที่ในการเวลาที่ควรตายกันในเวลาที่ยังไม่สมควรเขาก็เลยจัดเอาการอายุไขเป็นเกณฑ์คขตายอย่างคิดแบบคร่าวๆธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปเจาะรายละเอียดเยอะก็คือว่าได้75้าเนี่ยก็ เ, เรียกอายุไขเขากงั้นเกินไปกว่า น, นั้นเขาเรียกว่า มันเกินเกินอายุไขแล้วมันสิ้นอายุแล้วมันก็เลยมีว่าควาว่ากาลมรณะตายเมื่อถึงคราวก็คือหมดบุญหมดอายุไขหรือหมดทั้งสองอย่างถ้าทําบุญมานะที่จะให้อายุเนี่ยมาเกิดในยุคนี้ทําบุญมานั้นน่ะอายุมันก็พอดีพอดีกับการที่จะได้75็ดสิบห้าพอดีพอถึงเจ็ดสิบห้าปุ๊บมันก็เลยตายพอดีเนี่ยนะ โลกปชีวิตและนามาชีวิตขาดลงพอดีเนี่ยบุญมันก็หมดกำลังลงและก็หมดการอายุไขเราพอดีเลยอันนี้ครเป็นการละมรลนะตายเพราะสิ้นบุญด้วยสิ้นอายุด้วยถ้าอย่างยังสิ้นอายุไขด้วยมองเห็นไหมทีนี้ถ้าอาการละมรลนะก็คือตายในยังไม่ถึงคราวก็คือว่ามีได้ได้กรรมที่มาจากการที่มันมาตัดรอน อุบัติเหตุเงี้ยโรคภัยเบียดเบียนเงี้ยยังไม่ถึงคราวเลยไงนะอย่างอย่างอย่างทิสแมนเนี่ยใช่ไหมอย่างเงี้ยยังไม่ถึงอายุไขเลยว่างั้นเถอะอันนี้มันมาเล่นแล้วหรืออย่างอย่างเช้นเองผู้พูดเงี้ยยังไม่ถึงอายุไขเลยมันเล่นก่อนเลยโต้มเข้าไปเลยตายตายไปก่อนเลยไอ้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหดิ้นกันใหญ่เลยเ ง, งี้ยยังไม่อยากตายอ จริงๆมันไม่ใช่เรื่องอยากหรือไม่อยากไอ้ความตายเนี่ยไอ้มันมาตัดกระแสของน้มรูปด้วยกรรมที่ทำให้เคลื่อนจากพบในขณนะนั้นๆก่อนกำหนดไขก็เรียกอาการแล้วมาแล้วนะมันอาจจะหมดบุญก็ได้นะเช่นกำลังกุศลมันมาน่าจะมาเพียงแค่สมมติมาเกิดในอัตภาพนี้กำลังกุศลมันมาให้แค่50ปีสมมตินะแต่อายุไขมัน75ห้าอันนี้เขาเรียกว่ามันหมดแค่บุญ แต่ยังไม่หมดอายุมองเห็นหมั้งเออบางทีเนี่ยอายุไขมันหมดแล้วมันเลยอายุไขแล้วแต่กําลังบุญที่ให้มามันยังไม่หมดมันก็ส่งผลต่อไปอย่าเงี้ยมันเลยจากนั้นไปเขาเรียกว่าตายเวลาไหนเขาเรียกหมดมันหมดอายุไขแล้วแต่บุญมันยังไม่หมดแต่พอหมดอีกทีก็เลยสิ้นบุญมองเห็นยังสิ้นบุญทีนี้มันหายากคนที่จะทําบุญมาพอดิบพอดีกับอายุไขนั้นๆใช่ไหม ฉะนั้นเราก็ทำกุศลที่มันมีพลังนะบางคนถึงอา ย, ยุยืดยาวมากเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ไอ้ความตายเนี่ยคือการขาดลงของกระแสะรูปนามด้วยความพยายามของตนหรือบุคคลอื่นการใช้อาวุธก็ดีด้วยอำนาจของกรรมเก่ามีปนาธิบาตเป็นต้นอลไรเนี่ยอย่าลืมนะว่ากรรมปานาธิบาทมันมีสองส่วนเนาะส่วนก็คือโดนฆ่าโดนประทศร้าย หรือเจอเจ้โรคภัยแค้เจ็บมาเบียดเบียนก่อนอายุไขอันนี้กรรมพวกนี้เป็นกรรมปฏิบัติใช่ไหมสองทาร้ายตัวเองเลยฆ่าตัวเองซะเลย ม, มันมีความรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ตายดีกว่ากระเสือกกระสนที่จะต้องเบียดเบียนตัวเองทุกรูปแบบแ ก, รกรณีอย่างนี้เขาเรียกกรรมอะไรล่ให้เล่นงานกรรมปฏิบัติกรรมปฏิบัติที่ทําไว้เนี่ยมันทุกคนที่นั่งเนี้ย ใครเคยคิดฆ่าตัวตายไ้ยล่ะถ้าเคยคิดฆ่าตัวตายแล้วจะรู้ว่าถึงคราวที่มันทุกข์ทรมานหรือว่านั่นขึ้นมามันวุบเข้ามามามาอากุศลเนี่ยเข้ามาแทรกทันที้อยอยอยู่มันเลยชีวิตนี้มีแต่ทุกข์มีแต่กุ้มมันมีแต่ปัญหาหาวิธีจะทำร้ายตัวเองตลอดอันนี้อันนี้ไม่ใช่คนอื่นนั้นถึงแม้ว่าคน ถ้าไปหนะ้าที่ไหนโดนจ้องจะโดนทำร้ายจะโดนฆ่าอยู่เรื่อยแต่มันรอดเอ้ยสมมติมันรอดจากตรงนั้นมามันก็ยังไม่รอดจากการที่ตัวเองจะประทุสร้ายตัวเองเนี่ยกรรมปานาิบาบมันก็โหดร้ายตามตามสภาพของมันหรือไม่อย่างนั้นมันม า, าเรื่องอื่นก็ได้มาอจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ได้ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าวงเล็บว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นต้องเกิดจากกรรมนะเพราะโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากอุตุก็ได้มันเกิดจากอาหารก็ได้ มันเกิดจากการดูแลใช้ยาบทที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นเหล่านี้ก็ได้เกิดจากดีสเลตเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเป็นต้นมันมีเยอะแยะหมดอย่าเมาจ่ายว่าคนเป็นโรคภัยแค่เจ็บแล้วมันจะต้องมีกรรมเป็นตัวเด่นเสมอไปเข้าใจนะแต่ทั้งหมดเหล่านี้ต้องการเชีห้เห็นว่าในบรณะทั้งหลายเหล่านี้เรื่องความตายทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกว่า เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องเอามาใคร้ครวนมรณานุสติเหมาะแก่บุคคลที่มีปัญญาดีถ้าคนปัญญาไม่ดีเนี่ยคิดถึงความตายแล้วกลัวเลยคนทั่วไปจึงมองว่าเป็นอัปมงคลห้ามคิดถึงความตายทั้งๆ ท, ที่เป็นมงคลนี่แหละแต่หลายคนกลัวที่จะคิดถึงเรื่องนี้ไม่กล้าที่จะพูดถึงถ้า มรณะทั้งหมดเหล่านี้ตายด้วยการหมดบุญหรือหมดอายุไขหรือหมดทั้งสองอย่างหรือความพยายามของตนเองและบุคคลอื่นรวมถึงการขาดศูนย์ของรูปชีวิตและนามชีวิตดังที่ได้กล่าวมามรณสติเนี่ยเมื่อระลึกถึงการขาดศูนย์ของรูปชีวิตและนามชีวิตเนี่ยผู้ปฏิบัติที่ควรจะระลึกเนี่ยถ้าจะทําเป็นกิจจลักษณะให้เป็นนั่งในที่สงบสงบ แล้วก็นึกถึงกระแสขันกระแสชีวิตของตนเองแล้วก็ให้มานาจการว่ามรณงภวิสติมรณงภวิสติมรณงภวิสติว่ามรณบอกว่าจะบอกว่าตายแน่ตายแน่หรู้จะแปลยังไง ถ้าแปลให้มันสวยๆงามหน่อยเขาบอกมรณะจักมีมรณะจับมีความตายจักมาถึงความตายจับมีแน่นอนความตายจักมีแน่นอนใช่ไหมถ้าบางคนเราบอกก็ตายแน่ตายแน่เนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกไม่เหลือหมดแรงไหมหมดไหมถ้าบริกรรมแบบนี้หมดไม่หมดพอบริกรรมไปเบีเสร็จปุ๊บมันรู้สึกว่าใจมันชื้นขึ้นหรือมันมันวูบมันหดหู่ลงก็คิดอย่างนี้ อ๋ออย่างนี้ก็เรียกว่าโทสัจจริตเนี่ยโทสัจจริตเนี่ยไม่ชอบเนะียกลัวถ้าโมหจริตไม่ค่อยรู้เรื่องยังไม่ตายล็อกแต่โมหจริตยังไม่ตายล็อกไม่เชื่อว่าจะตายวันนี้ไม่เชื่อว่าจะตายวันนี้ไม่เชื่อว่าจะตายพรุ่งนี้นี่โมหาชัดมันยึดกับความความความหลงของมันอยู่กอดความหลงกอดความไม่รู้ไว แล้วก็ไม่ยอมคลายความหลงไม่ยอมคลายความไม่รู้โมหะจลิตยังไม่ค่อยมองเหมือนกันโมหะจลิตต้องเจริญอะไรก่อนมันจิตมันหยาบจากจัดต้องทําให้ละเอียดก่อนดูล้มไปก่อนให้จิตมันละเอียดมันคลีนค่อยๆมันให้กิเลสหนามันออกไว้ก่อนน่ะจนรู้สึกว่ามันใจมันมันใสๆหน่อยหรือมีปัญญาค่อยมามาออกมาแวบๆหน่อยจึงไปคิดความตายอีกทีก็ใจเย็นไปคิดตอนนี้เหมือนสับเลือเลยอ่ะโอ้เห็นเป็นไรแล้ว ตายก็เผาปป เ, เงีสับเปลืองเช่นนี้นะเห็นมีอะไรก็กินเหล้าเมายาบาปข้อไหนมันทำได้ทุกข้อพวอกสับเปลืองเพราะมันเผาจนชินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มั้นมรณะภวิสติก็คือความตายจากมีความตายจากมีบริกรรมอย่างนี้นะหรือชีวิตตินทตรยังอุ ป, ปัปชิตสติ อุปัติชิดชิดสติชีวิตตีนซีจะขาดก็คือว่าชีวิตมันจะขาดนะทั้งรูปปชีวิตนามปชีวิตเนี่ยมันจะขาดมันจะขาดหรือมรณะมรณังอะ่ะตายตายตายตายอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> น้ากวนะครับว่าตายตายตายนะน่ากลัวไหเนี่ยตายตายก็คือความตายความตายนิยนี้สมนัสการนี่สําคัญที่สุดเนาะ ก็คือโดยต้องพิจารณาโดยแยบขายต้องใส่ใจใถูกต้องบอกว่าความโศกมันเกิดขึ้นแก่ผู้ใส่ใจผิดวิธีและลึกถึงความตายของคนรักมันเป็นอายโยนิโสความสนิทสนุนเหมือนอไหไ่เหมือนมารดาที่บังเกิดก้าวระลึกถึงความตายของบุตรเนี่ยลองคิดถ้าคนนึกถึงคนที่เรารักจกตายอาลองเรารักใครลองคิดมันไอคนนี้จะตายคนนี้จะตายลองคิดเนี่ยเป็นไง พอพิจารณาด้วยอโยนิโสมนัิการขึ้นมาสะเถือนขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาไม่กลัวหรือน้อมใจเกิดขึ้นเมื่อระลึกถึงความตายของตนเองถ้านึกถึงว่าเราจะต้องตายนึกถึงถึงควาตายถ้าพิจารณาไม่ดีกลัวขึ้นมาทันทีนะกลัวกลัวขึ้นหลายๆอย่างบางคนไม่เคยทำบุญรีบทำบุญเลยแก้บนอะไรก็ว่ากันใหญ่เลยตอนนี้ ความสลดใจไม่เกิดขึ้นเมื่อเ ล, ลือกถึงความตายของคนที่เป็นกลางๆยัไม่เกิดหรือความหวาดกลัวมักเกิดขึ้นในเวลาลึกถึงความตายของตนเองเหมือนถ้าเหมือนว่าคนถือดาบเอามาจ่อเหมือนเพชฌฆาตถือดาบมาจ่อที่คอหอยทั้งหมดเหล่านี้การพิจารณาอย่างนี้แล้วถ้าปัญญาไม่เกิดเนี่ยถึงพิจารณาได้ก็ไม่เป็นกุศล ไม่เป็นกุศลทีนี้การที่จะพิจารณาให้เป็นกุศลได้ให้พิจารณาก็คือว่าความตายเนี่ยการพิจารณาให้ลึกถึงความตายแปดประการหนึ่งให้ปรากฏดุจเพชฌฆาตที่เอาไปเอามีดเจาะหรือพิจารณาความเสื่อมจากสมบัตินำมาเปรียบเทียบ กายนี้เป็นเหตุแห่งทัว่วไปบอกว่าชีวิตนี้มีกำลังน้อยมีเครื่องหมายของบุคคลตายกำหนดอายุไขก็ดีมีลักษณะเล็กน้อยเป็นต้นอะไรเนี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาบอกเวลาอุปมาเนี่ยก็บอกว่าเห็ดเวลามันแทงขึ้นจากดินมันก็จะมีดินติดที่หัวเห็ดมาก่อนไม่ชั้นใดสัตว์ทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บมันมีความตายติดลงมาในขนานั้นเลยคือมันอย่างนี้พอเกิดปุ๊บปฏิสนที่เนี่ยตายได้ทันที ความตายมันติดมาแล้วในขณะนั้นทกขนาดตั้งแต่นั้นมามีโอกาสตายได้หมดเลยถ้าพูดกันตามวิถีเนี่ยตายทางตาก็ได้ทางจักุทวาลวิถีก็ได้ชาวนะจุติก็ได้ตทาจุติก็ได้ชาวนาผวังจุติตทาผวังจุติก็ได้สรุปว่าก็คือว่าทางทวารตาเนี่ยพอชาวนะพอการเห็นปุ๊บพอจบกระบวนการเห็นปุ๊บตายทันทีได้ ได้ยินปุ๊บจบกระบวนการได้ยินปุ๊บตายก็ได้ได้กลิ่นปุ๊บจบกระบวนการทางสูดกลิ่นตายก็ได้ลิ้มอาหารปุ๊บจบกระบวนการลดรู้ล ด, ลดในขณะนั้นตายทันทีตายต่อเลยก็ได้สัมผัสเย็นร้อนปุ๊บตายต่อได้คิดนึกปุ๊บตายได้สรุปแล้วตายได้หกทางนะนี่ความตายมันดักไว้ทุกหกทางเลยคุณจะหนีมันยังไงลนะ่ะเนื่องจากคุณคุณยังใช้บริการทางทางอายตนะทั้งหอยู่ในอายตนะทั้งหกเนี่ยไอ้มระามันดักไว้ทุกจุด เนี่ย เ, เพชฌฆาตไหมมันถือดาบคอยจอ่อามาทางไหนก็ตัดได้หมดเนะนี่ยมันมันจ่ออย่างนี้มันจึงเป็นเหมือนเพชฌฆาตเอาเอาเอามีดจ่อที่คอหอยเรียบร้อยแล้วเนี่ยสัตว์ที่จะต้องตายกันหมดเลยเนี่ยทั้งผู้ฟังผู้พูดตายแน่มรรังมรรังท่องไปเถอะมรรณะมรณะมรรณะมรณะตายแล้ง่ายสุด ตายได้ทุกเหมือนเหมือนภาพที่เคยส่งให้ดูเห็นไหมตายหมดเลยนี่ให้สัมภาษณ์อยู่ดีๆงเงี้ยพูดพูดพูดเงี้ยปุ๊บตายกินข้าวตายอย่าเงี้ยนะกำลังขับเครื่องบินตายนี้ไม่ตายคนเดียวแล้วโอ้คนในเครื่องบินตายเขาตายอีกไม่รู้เท่าไหร่เลยขับรถตายเห็นมาแล้วขับรถกับรถปุบก็ไปเนี่ยตายนั่งนั่งอยู่งายท้องตายอย่ายเงี้ยนะโอ้มันเป็นอย่างนี้แต่เรามาถ้าคนโมหะเป็นไง ยังยังยังไม่ถึงหร อ, อ ก, ออ ก, ก, ออ ก, กอ น, อนี่นี่เป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งบอกว่าแม่น้ำน้อยเหือดแห้งไปเพราะถูกแดดเผาในฤดูร้อนชีวิตทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละผลไม้ที่มีน้ำแห่งอาโปธาซึมซาบตามขั้วตั้งแต่เช้าก็จะร่วงหล่นได้อย่างรวดเร็ว ภาชนะดินที่ถูกทุบด้วยค้อนหรือหยาดน้าค้างที่มันอยู่ยอดยาชีวิตเป็นแบบเนี้ยที่วาราตีล่วงเลยไปชีวิตพลอยดับไปด้วยอายุของสัตว์ทั้งหลายก็สิ้นไปเหมือนน้ำของแม่น้ำน้อยแห้งไปในฤดูร้อนอย่างนั้นแหละนี่เป็นอย่างนี้เราสัตว์ที่เกิดมาแล้วต้องตายแน่นอนเหมือนเหมือนเจ้าของผลไม้กลัวผลไม้สุกลนในยามเชา้า ภาชนะดินที่นายช่างหม้อทําเล็กใหญ่เผาแล้วหรือยังไม่ได้เผาล้วนไปสู่ที่สุดคือแตกเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตทั้งสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็แตกดับหมดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสั้นนักเหมือนหยาดน้ําค้างบนยอดหญ้าพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาปุ๊บเรียบร้อยแล้เหิดหายไปอย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคขัดข้องมาก ควรเจริญกุศลควรเป็นอยู่ได้ปัญญาควรประพฤติพรหมจรรย์เลยซ้ำไปเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจกไม่ตายไม่มีใช่ไหมไม้ขีดลงในแม่น้ําก็หดกลับเข้ามาหากันได้อย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม่ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขัดข้องมากควรเจริญกุศลควรเป็นอยู่ได้ปัญญาควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจกไม่ตายไม่มีเงีง้ยไอหลักการนี้ก็ต้องต้องพิจารณาให้ชัด เขาพูดถึงเรื่อง่สมบัติโดยเสื่อมจากสมบัติเนี่ยก็หมายถึงว่าเอางี้พระเจ้าอาโศกมหาราชปกครองชมพูทวีเป็นเป็นจุลจกักรพัิเป็นระดับระดับจักรพัท น, น้อยๆ น, นีมีฤทธิ์ด้วยมีอนุภาพด้วยเรียบร้อยตายไม่เหลือตายเลยอะ่ะทำบุญขนาดว่า แปดมื่นสี่พันเจดีสร้างถวายแปดมืนสี่วันวัดโวสทนุบบุญงพุทธศาสนาส่งพุทธศาสนาไปเก้าสายทั่วโลกแต่ไม่เหลือตายเนี่ยตายพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายตายหมดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดถึงการเสื่อมมีมีเสื่อมหมดเขาถึงบอกว่าภูเขาหินใหญ่เสียดฟ้ากลิ่งมาบททั้ง4ทิศ ความแก่และความตายก็ฉันนั้นก็ครอบงำหมู่สัตว์ทั้งกรัตริพราหมณ์แพร่สูตรและจันทารคนเทขยะไม่เว้นใครเลยย่ำยีหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนั้นถึงบอกว่าไม่มียุทธหัตถีใดๆที่เราจะป้องกันได้อย่างนี้เป็นต้นที่วิธีการนํามาเปรียบเทียบเขาก็มีเปรียบเทียบในเรื่องของความเป็นผู้มียอดใหญ่นะมียอดใหญ่ถึงพร้อมด้วยกําลังยอดเช่นพระเจ้ามหาสุทัศนะเอ่ยพระเจ้ามันธาตุราทั้งหลายโดยนี้เป็นต้น พวกนี้เป็นจักรพรรดิมีจักรปราถนาอะไรก็ได้แต่ไม่สามารถจะสกัดกั้นความตายได้บั้นปลายชีวิตของท่านท่านก็เจริญมรณะท่านเห็นมรณะภัยแล้วท่านก็ประพฤติพรหมจรรย์นี่จนได้ฌานสมาบัติวันสุดท้ายท่านก็เอาให้คนใกล้ชิดเอาเตียงบรรทมมาปลูที่สวนตาลที่ประทับ ป, ปริณิพานของพ ร, ระเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ นั่นแหละที่กุศินารานั่นที่ตรงนั้นแหละที่พระเจ้าหมหาสุทัศนะใช้เตียงบันทมนอนแล้วก็ตายตรงนั้นเน่ตายตรงนั้นหละโอ้โหขนาดมีกองทัพแบบกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถอย่างละ 84,000 พันเมืองขึ้น 84,000 นพันนางสนม 84,000 พันโอ้โหปกครองประเทศ8 4 0 0 0พันชมพูทวีปโลกที่ทั้งใบก็ปกคองอุตรกุุทวีปปุบพระวิเทหะอัปราโคยานทวี ในวันสุดท้ายท่านรู้เวลาท่านจะตายแล้วท่านก็ให้มันนอนพระเทวีซึ่งเป็นพระมเหสีก็มาบอกว่าข้าแต่พระมหาสุทัศน์ผู้เจริญขอพระองค์อย่าด่วนสวรรคตเลยขอให้ผูกใจไว้ในเมืองขึ้น 8.4 ดมืสี่พันเมืองนะผูกใจไว้กับนางสนม 8.4 ดมื่นสี่พันนางรถ 8.4 ดหนสี่พันคันช้าง 8.4 ดหมื่นสี่พันเชือกม้าแปดหมื่นสี่พันตัวสาหรับ 84, 000, สําำหรับอย่างละ 84% ดหมี่พันทั้งหลายเหล่านี้ให้โผกใจไว้อย่าดวนตายเลยบ่างั้นเธอพระเจ้ามหาสุทัศนาบอกดูก่อนพระมเหสีเทวีคำพูดของเธอไม่เป็นมงคลเลยคำพูดแบบนี้เป็นอัปมงคลเนี่ให้เธอพูดใหม่ให้พูดว่าข้าแต่พระเจ้ามหาสุทัศนาผู้เจริญขอท่านอย่าได้อาไล่อาวร อ, อาระยะเนี่ย อย่าได้มีตัณหาเข้ามาผูกพันกับเมืองขึ้น8 4 0 0มพันเมืองปราสาท8ป0 0มพันปราสาทเป็นต้นเลยเพราะบุคคลที่ตายด้วยความอาลัยด้วยความห่วงด้วยความยึดถือจะมีอบายทุกขติวิบัตินรกเป็นไปในเบื้องน้นคอยท่านปล่อยวางเหล่านี้เสียแล้วก็สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านี้ได้ต่างหากเป็นบรมสุขถ้าตราบใดเรายังสงบระงับสังขารไม่ได้กระแสขันห้าไม่ได้มันลุกพรูขึ้นมาเลยก็คือว่ามันดับวัตทุก์ไม่ได้มันก็ลุกโพลงขึ้นมาตลอดไฟเนี่ยมันต้องดับให้ได้ถ้ายังดับไฟคือการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ไฟคือความโศกความล่าไรลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจไม่ได้ถ้าดับไฟคือราคาโทรศัโมหะไม่ได้ จ็ปวดนีใช่ไมไ้ไฟสิบเอ็กองมันเผาร้อนโมสารอยู่ฉะนั้นถ้าสงบละ ง, งับไฟเหล่านี้ได้ต่างหากมันต้งจะเย็นมันต้งจะสงบมันต้องจะเข้าถึงบรมสุขอย่างแท้จริงนี่เป็นต้นเอาความเป็นผู้มีบุญมากเศรษฐีโชติกาเศรษฐีชตินาเศรษฐีอุคฆาเศรษฐีเมตกาปุณกกาโหเศรษฐียะย ะ, ย ะ, ยะจนถึงอนาถาปิฎิกาเศรษฐีเรียบร้อยตายหมดหรือยังตายหมดแล้วสติปยอบ ตายยังตายแล้ ว, ลวเหลือใครทีนี้ที่ ผ, ผ่านมาตายเยอะหมดเลยเอันนี้เอาระดับมหาเศรษฐีใหญ่ะตายหมดไม่เหลือเลยฟังแล้วน่าชื่นใจไหมไม่เหลือฉะนั้นฉะนั้นอย่าไปกังวลเลยนะเราบอกโอ้โหแล้วก็งงน่ามีทราบขนาดนี้ซื้อความตายไม่ได้จริงๆมันน่าจะนั่งเครื่องบินหนีไปไกล หนีไปไกลๆไม่ได้มีฤทธ์หาไปยังไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะหนีความตายได้เลยเอาความเป็นผู้มีกำลังมากอย่างใครเดียวกำลังมากใครดีนะก็คือพวกกลุ่มเทพเจ้าทั้งหลายเลยเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายเลยเนี่ยถึงจะมีกำลังมากยังไงก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากความตายได้เลยเนี่ยนะ ความเป็นผู้มีฤทธิ์มากเอาใครดีอะฤทธิ์เนี่ยอ卡拉สาวกทั้งสองท่านเนี่ยฤทธิ์เยอะมากอ้พระโมคคลานะเนี่ยเขาตามข่าเหาะหนีทั้งหลายครั้งรอดไหยไม่รอดเนี่ยฤทธิ์มากเลยนะความเป็นผู้มีปัญญามากอย่างภาษาริบุตรโอ้โหใช่ไหมบรารณะก็เขาย่ํายีอีกไม่รอดอีกเหมือนกันบางท่านแตน่ปัญญาของเหล่าสัตว์ที่อยู่ในโลกนี่นอกจากพระโล ก, กนาฏแล้วไม่ถึงเตี้ยวที่สิบหกของท่านภาษาลิบุตรก็บางก็อย่างนี้ ยกเว้นพระเจ้าเนีเข้าปัญญาของภาษาริบุตรเนี่ยคนในโลกนี้ไม่มีใครมีปัญญาเท่าภาษาลิบุตรไม่ถึงเซี่ยวที่สิหกของปัญญาของภาษาริบุตรคืออย่างนี้แบ่งปัญญาของภาษาริบุตรออกเป็นสิบหเซี่ยวสิบหกสหสบหส่วนนะก็ไปเอาส่วนที่สิบหกมาแบ่งอีกสิบหครั้งสิบหกนนั่นแหละ ปัญญาของหมูสัตว์ทั้งหลายไม่เท่ากัาท่านฉะนั้นภาษาริบุตรเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยนะคํานวณ น, นับเม็ดฝนได้เลยคํานวณได้เลยปุ๊บว่าตกมาเนี่ยฝนประมาณกี่เม็ดคิดมาเป็นว่ากี่ขันกี่กี่ผ่าชนะอะไรเงี้ยคิดคํานวณได้หมดนี่ภาษาลิบุตรคํานวณขนาดนั้นมเมล็ดทรายนี่คํานวณได้เลยคือคํานวณปุ๊บออกมาในกำ ม, มือปุ๊บ คำนวณนับได้แล้วแล้วจะคำนวณพื้นที่ได้เลยปุ๊บว่าเท่านั้นโยอดหนึ่งเนี่ยเม็ดทรายมีกี่เม็ดปุ๊บเดียวแต่หนีความตายไม่ได้โอ้โหขนาดนั้นทำไมอยากมีปัญญาอย่างนั้นจังถ้ามีปัญญาอย่างนั้นต้งสัยไม่อยากคุยกับใครเลยมันจอกโอเมันจะ มองไว้ดินะจะมีปัญญาขนาดนั้นตรงใส่โอ้โหเนี่ยนะแต่แปลกไหมภาษารีบุตรไม่เคยยกตนโชว์ตนเปียบเทียบตนเลยทําตนเหมือนอะไรนะเหมือนโคเขาขาดปกติโคเนี่ยเขาขาดเนี่ยวิ่งเวลาเดินก็ไปในชอ่องเล็กช่องน้อยเนี่ยไอ้เขาทั้งสองข้างก็ไม่ไปกระทบซ้ายกระทบขวาชั้นใดภาษารีบุตรไปหนี่ที่ไหนก็ไม่กางไม่เหมือนเราบางคนเอาไปเปเสร็จปุ๊บชอบเอาปาก เป็นห อ, อกทิมคนนั้นมทิมกคนนี้พอคิดอะไรได้ไม่ได้ชอบทำปากเป็นห อ, อกทิมซ้ายทิมขวาให้มีความสุข <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ใช้ความคิดทิมครับเพราะมันยังมีอะไรมีเขาอยู่อ ม, มีมานะมีทิฏฐิเอาเทียบไปทิมกว่านั้นทิมคนนั้นเปรียบเทียบไอ้คนนั้นก่อยแยดนั้นแล้วสู้เราไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้อยู่อย่างนั้นแหละพวกมีเขา นั่นต้องจับหักเขาให้หมดพราะเขาหักแล้วแต่เนี้ยไปแล้วแต่เนี้ยไม่กระทบใครอีกแล้วมีไหมเขาแต่เนี้ยงอกออกมาต้องคอยตัดด้วยนี่เดี๋ยวโผล่มาเรื่อยก็คอยตัดเขามันชอบไปทิ้บมันก็เลยบางทีมันไม่มีเขาด้านข้างเขาด้านหน้าแทงกันนี่เท่าเทียมกัไปเลยเนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ ย, น, ย, น, ย, น, ย, น, ย น, นั่นภาษาริบบทไม่มีเอเห็นไหมคนมีปัญญามันเห็นความจริงแล้วเนี่ยมัน ต, ตัดตัดมานะตัดทิฏฐิตัดกิเลสได้ และก็ภาษาลีบุตรเนี่ยท่านทำตนเองเหมือนเหมือนผ้าเช็ดถั่วีผ้าเช็ดของไม่สะอาดผ้าเช็ดพื้นเนี่ยของสะอาดหรือไม่ของไม่สะอาดเวลาไปเช็ดก็ไม่อิหนาละอาใจใจของท่านก็เสมอกับของที่ดีและไม่ดีเสมอในบุคคลทุกจำพวกอย่างนั้นแหละเหมือนแผ่นดินเหมือนแผ่นดินไม่สะทกสทานกับของสะอาดและไม่สะอาด เป็นต้นเล้เนี่ยโอ้โหคนที่มีจิตขนาดนะั้นเนี่ยคนมีปัญญามากจะเป็นแบบนี้ยิ่งมีปัญญามากยิ่งอ่อนโยนยิ่งอ่อนน้อมยิ่งมีเมตตาเพาปัญญามจะไปรู้ความจริงใช่ไหมปัญญามันจะเห็นโทษของสังขารตามความเป็นจริงแต่โทสะมันจะไปเห็นโทษบุคคลแล้วมันเห็นโทษเหมือนกันนะปัญญากับโทสะเนี่ยฉะนั้นโทสะมันจึงเห็นโทษบุคคลแล้วมันอยากจะหนีบุคคลที่ตนเองไม่ชอบ แต่ปัญญาเข้าไปเห็นโทษของสังขารแล้วก็ไปพิจารณาสังขารตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ว่าคุณปฏิบัติต่อสังขารนั้นอย่างไรบุคคลนั้นอย่างไรสถานการณ์นั้นอย่างไรเห็นว่ามันต่างกันนะมันมันเบื่อเหมือนกันแต่เบื่อเพราะเห็นความจริงเบื่อกับเบื่อสัตว์สังขารเพราะไม่ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยโทสะกับปัญญามันมีความต่างกันอย่างนี้ความเป็นผู้มีปัญญามากคือภาษาลิบุตร ความเป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าตายความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตายนี่นะต้องการชีร้เห็นว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีโอ้โหเขาพข้าพลาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีมหาปุริสรารคันะก็คือพระบาทเรียบเสมอกันฝ่าพระบาทเนี่ยดังพื้นฉลองพระบาทเนี่ยว่าไม่แหวง่งไม่เว้าไม่ได้ ว่างั้นมีความไม่ใช่กระโยงส้นกระยุงกระโยงนี่เป็นตน้นเหมือนกับมนุษย์ตัวทั่วไปแล้วดูเท้าวพวกเราสิเท้าวพวกเราเนี่ยโอ้โหเป็นเท้าที่มันมันไม่มีความสมดุลไม่มีดุลยภาพไม่มีความสม่ำเสมอเลยเว้าวบ้างว่าไม่เสมอบ้างส้นสั้นบ้างยาวเกินไปบ้างข้างหน้ายาวออกเกินไปนิ้วเท้าไม่ได้ดุลยภาพไม่มีความสวยสดงดงามบ้าง บางทีก็หงิกห ง, งอๆงอบ้างไม่ตรงบ้างไม่กรมบ้างอะไรเงี้ยโอ้โ oh, หในรายละเอียดเยอะหมดเนี่ยคนที่จะทำกรรมมาขนาดนี้ได้ต้องละปนานติบาตต้องมีดุลยภาพในการทำกุศลทุกชนิดหรือที่บอกว่านาสิกนาไม่ใหญ่นาพีนะพี่ก็คือเข้าไปฟื้นฝาพระบา ท, ทั้งสองนะ่ะมีลายรูปกลงจักรเกิดขึ้นมีซี่กรรมข้างละพัน มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยการทั้งปวงอย่างเงี้ยแล้วก็ส้นพระบาทก็ยาวเงี้ยนะมีพระองคุลีก็คือมือเนี่ยน ะ, ะงดงามมากว่ากัเถอะเสมอกันยังไงเป็นต้นไม่เหมือนสามัญมนุษย์ทั้งหลายตรงนี้ชี้เห็นว่ามหาปุริสระขณะที่ได้มาด้วยกำลังของกุศลที่มีพระกำลังอย่างดีทั้งศรัทธาพระราวิยาพระรสติพระรสมาธิปัญญาพระ ขนาดทํากุศลมาด้วยการได้รูปปัจขันได้เวทนาได้สัญญาได้สังขาร ไ, ได้วิญญาณเนี่ยมีความวิจิตบรรจงขนาดนั้นหนีมรณะภัยไม่ได้หนีไม่ได้ทํากรรมมาด้วยความชาญฉลาดนะแล้วกําลังของทศบาลมีนะบาลมีสิบอุปบาลมีสิบปรมัทบบาลมีสิบ ม, 10, มหาปริจาค้าห้ามีฐานะปริจาค้าจนถึงการสละชีวิตเป็นที่สุดเชื่อไหมว่า แทนที่ไอ้มรดยุหรือความตายมันจะเกงพระไถยเกงบุญเก่งบรารมีบ้างมันไม่สนมันให้อยู่แค่แปดสิบเองอะแปดสิบมันเล่นงานเลยอขอร้องชาวพุทธขอร้องกันทั้งโลกเ น, นี่ยพระนนทะ์ขอแล้วขออีกได้ไหมไม่ได้พุทธบริษัทเนี่ยภิกษุภิกษุณีบาศกบาลิกาทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาพรหมอขอให้อยู่ไม่ได้นี่คือความ ความที่มริตยูเนี่ยไม่ขึ้นตรงต่อใครไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจว่าคุณจะมีบุญมากขนาดไหนมีบา ร, รมีมากขนาดไหนถึงเวลาฉันฟันฉ็บเดียวตายไม่เหลือแล้วเราอ่ะเราอ่ะกูสอนแค่นี้ยังไงมันก็ยิ้มยิ้มย่องว่าจะอยู่จะอยู่จะอยู่จะเอาอะไรไปทาน เอาทานบารมีมีแค่ไหนศีลบารมีแค่ไหนเนคข ม, มารแค่ไหนปัญญาแค่ไหนเวริยะแค่ไหนสติสัสจญาธิฐานเมตาเวขาบารมีแค่ไหนเนี่ยที่จะฮึกเขิมหรือห้าวหาญอาถานว่าฉันยังจะไม่ตายฉันจะอยู่ฉันไม่ตายเด็ดขาดยื้อกันไปสิไม่เหลือเขาใหญ่ยังเดี๋ยวนี้มันมองอย่างนี้ปุ๊บจะได้โอ้ ความจริงมาแล้วเว้ยเตรียมตัวให้ชัดเตรียมตัวให้พร้อมนะทำให้ดีที่สุดณปัจนจะุบันนี้อยากจเจริญกุศลอยากทำอะไรอยากขนขวายกุศลประเภทไหนทำเสียรีบทำเสียเพราะโอกาสเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกคนเหลือน้อยลงโอกาสอยากจะทำอะไรทำนะฉันจะบอกโยมแม่โยมแม่อยาทําอะไรทำเลยมัน รีบทำเสียเห็นแก่โอ้ยก็ทําทุกวันเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยปัญญาท่นใดแค่นั้นไงพอไปเลงมากๆากแล้วเกลียดลอมเกลี้ยยศแม่ทำก็ทําทุกวันอยู่เนี่ยตื่นที่สี่หุงข้าวใส่บาตรพระสมาทานสิงสมาทานสวดมนต์นไหมสวดฟังธรรมไหมฟังไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้แล้วทําไงก็ไม่ฟังแล้วนางกินหมากไปเลยตอนนี้นี่ไง เราจะไปเล่นคนอื่นไม่ได้แร้วมันอยู่ที่ปัญญาเขาใช่ไหมถ้าคนมีปัญญาเห็นความจริงตรงเนี้ยไม่ต้องไปเล่งเขาแล้วไม่ต้องไปเล่งแล้วบอกเฮ้ยอย่าทํามากเลยเชื่อไหมอย่าไปเจริญกุศลถ้าต่อไปเนะี่ยหยุดหยดบ้างอย่าไปสวดมนต์อย่าอย่าไปเจริญกุศลอย่าไปขนขวายเลยกินกินนอนนอนไปเที่ยวสนุกสนานตายไปก็ไม่ได้กินแล้วนี่คนคิดมึนๆในชีวิตมันบอกตายไปก็ไม่ได้กินแล้ว ตายไปก็ไม่ได้เล่นแล้วตายไปก็ไม่ได้เที่ยวแล้วนี่มันคิดมันมึนชีวิตมันไม่รู้หรอกว่าจุตติตายปุ๊บมันเกิดทันทีเงียไหมล่ะจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะจะไปเป็นสัตว์อะไรล่ะไอ้ตรงนี้ยังไงมันน่ากลัวคือตรงนี้ชีวิตหลังตายเนี่ยหลังตายน่ากลัวนะมันมีกรรมมาอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์กตินิวิตอารมณ์นะเป็นเป็นตัวกาหนดใช่ไถ้าเป็นพระอรหันต์เขาไม่มีนี่ เขาไม่มีนิมิตเหล่านี้นี่เพราะเขานิพพานไงจึงไม่มีนิมิตเหล่านี้มาเป็นหลักยึดในการนำสุปวาตาไอพวกเรานี่สิมาแล้วเสนอหน้าสลอนหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยดอกไม้ที่เราดูไว้เนี่ยเสนอหน้าเลยนะมองให้ดีนะเนี่ยดอกไม้ที่จะบูชาเนี่ยเสนอหน้ามาเลยจะเอาอันไหนแ้่คนมีบุญจะเอาจะเอาจะเอ า, จะเอาทงจะเอ า, เอาดอกไม้หรือจะเอาผ้า หรือจะเอาหรือจะเอาต้นโพหรือจะเอาพระสงฆ์มันจะเป็นอุปกรณ์เสนอมันเป็นแถวเลยนี่คนฉลาดก็อะไรเด่นที่สุดใช่ไหมอะไรเป็นประธานอะไรเป็นรองประธานเขาฉลาดเขก็ยึดเอานิมิตเอนั้นเป็นอารมณ์ได้ใช่ไหมที่ถามว่าเราเคยคิดไหมว่าเราจะเอาพวกนี้เป็นนิมิตในการเป็นอารมณ์ก่อนตายไม่คิดเรเหมือนคนจะฆ่าสัตว์เนะี่ยมันเป็นนิมิตของเขาเหมือนกันใช่ไหมเพราะเขาไปทําแล้วไง งั้นคนที่ฆ่าสัตว์เนี่ยเขฆ่าจริงๆเลยนะทําแบบจริงๆจังๆเขาอินกับการทํามากเอา้าเวลาเราจะทําบุญเราเราอินเท่าการฆ่าสัตว์ของคนทําบาปไหมเฉยๆจาไม่ได้เลยซ้ําไปบางคนจ <laughs> ิดชิ้นยังจําไม่ได้เลยอเอาวางไว้กีดชิ้นวางมาจุดไหนคิดยังไงในคาถาทําไม่รีทางยองยอนด้วยดีในขณะที่ยกจากตรงโน้นมาตรงนี้แล้วมาจัดจตรงนั้นตอนนั้นคิดยังไงคิดอะไรอยู่ มนัสิการอะไรบางคนไม่รู้เรื่องเลยทำเขาให้ทำอะลีให้เสร็จแค่นั้นเองใจไปเป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่รู้เรื่องมันแยกไม่ออกมันขนาดนั้นเลยนะขนาดมีกิจกรรมให้ทำแล้วมันคิดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงให้ใจเกิดทั้งๆที่ได้โอกาสอย่างเงี้ยแต่คิดไม่เป็นว่างั้นเถอะจำไม่ได้นึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกว่าเออเอาดอกไม้ไปปักแล้วไปเนี่ย มันมันลืมหมดลืมหมดลืมหมดแต่อเรื่องอื่นไม่ลืมนะเช่นคนด่าไม่ลืมเลยหรือไปด่าเขาไม่ไม่ลืมอีกหรือไปไปไปทําไม่ดีอ่ะโอ้โหจําอยู่นั่นแหละวนคิดอยู่นั่นแหละเนี่ยลักษณะเนี้ยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเปน็นมิติของคุณแน่นอนไม่แปลกใจก็คุณชํานาญในเรื่องนั้นนี่ก็คิดว่ามันชํานาญนี่เนี่ยคิดโอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยนะโอ้เนี่ยนกะ็คิดโอ้โ ห, โโหงามเยมอะมากงาง อ้าถ้าเป็นนิมิตก่อนตายเ้าเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์ใช่ไหมอ่าเป็นกรรมนิมิตอารมณ์นึ่งเนี่ยเป็นอุปกรณ์ว่างั้นอุปาทธิกกรรมนิมิตว่างั้นเนี่ยเป็นกรรมนิมิตอ้าพอคิดแต่นี้ก่อนตายเอานี้นิมิตนี้เป็นอารมณ์แล้วควรใจไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยอธนิมิตนี้ พอใกล้จะตายปุ้มลอยมาอันนี้หุ้นเด่นมากประทับใจมากคนจะคนจะได้อะไรโอ้โ ห, โหเอาไปวางไว้ที่ต้นโพสวยจริงๆ ง, งามมากกว่านั้ น, น ง, <laughs> งามจริงๆง โออยากไปอยู่ตรงนั้นอย่างบางคนอยากจะไปอยู่ตรงต้นโพลคือจริงๆตรงรตนี้เราน้อมถวายอะไรนี่เห็นความงามตรงนี้เห็นความสวยสดงดงามทั้งความงดงามความวิจิตบรรจงทั้งหลายเหล่านี้โอ้โหมหาบุริสราขนาะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงดงามมีความวิจิตบรรจงมากมายเนาะเราจักเอาความงดงามของดอกไม้และเครื่องสกานะเหล่านี้บูชา มหาปุริสระขนาด3าประการนนุัญชนะ80ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราจะเอาบูชาไม่ใช่แค่พระสรีรคุณเท่านั้นแม้พระจริยาคุณเริ่มตั้งแต่มโนปณิธานเลยนะจนถึงการได้ตัดสรุนุตตะสัมมาสัมพุทธิยาณในทุกอัตภาพที่เกิดนั้นขอน้อมบูชาพระบารมีธรรมมีทานบารมีของพระเจ้าเนะี่ยจนถึงเบขาบารมีเป็นที่สุดที่บำเพ็ญมาในทุกอัตภาพที่เกิด แล้วขอบูชาพระพุทธคุณมีพระสัพพัญยุตยานนาวรณญยานอินทเรียปรโรปริยติยานเป็นต้เนเลยนี่ยเนีอพอนึกนึกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยใจน้อมในการบูชาพระพัชจริย า, ค, าคุณศรีรคุณพุทธคุณสมมุติเนี่ยอันนี้ชัดอันนี้คือความเข้าใจในการที่จะบูชาอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วตรงนี้ก็คือว่าให้เราทั้งหลายได้น้อมระลึกจริงๆปารลบเรื่องมรณะที่จริงในรายละเอียดของมรณะเนี่ยมีอีกเยอะ ในลึกๆเข้าไปนั้เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาโดยซ้าไปนะที่พิจารณาหลักการในการเจริญมรณานุสติเนี่ยว่าในหลักการในการที่ไปพิจารณาหรือไปเจริญเนี่ยอานิสงส์ของบุคคลที่เจริญมรณานุสติเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทจะมีความสลดใจมากคําว่าสลด ก็คือจะมีจิตที่มีพลังจิตที่มีความเกล้ากล้าอาถานสังเวคะคืออย่างนี้มีโอตตะปะคือกลัวภัยในสังสารวัตรมีปัญญาอย่างเห็นความจริงแล้วจึงอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้รับสัญญาที่ทกุศลสัญญาจะเกิดขึ้นเช่นอาทีนวะสัญญานะจะเห็นโทษ ของการเวียนไหวาตายเกิดได้ง่ายมากพวกนี้เป็นเห็นการบรรลุด้วยแล้วก็ละความติดใจในชีวิตเพราะเห็นความตายว่าจะต้องมีแน่นอนฉะนั้นมันจะไม่ติดใจในการเวียนไหวาตายเกิดเพราะเดี๋ยวตายไปเกิดก็ต้องไปตายใหม่ไปเกิดก็ต้องตายใหม่มันจะละได้อย่างแน่นอนเป็นผู้ตําหนีความชั่วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอ น, นิจจสัญญา อันนี้จะสัญญาตำหนีความชั่วเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของของสังสารแล้วเห็นของขันเป็นต้นอะไรนี้แล้วก็เห็นความชั่วเนี่ยว่ามันตามเบียดเบียนมันตามเบียดเบียนในทุกอัตภาพที่เกิดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไม่ชอบสั่งสมไม่มีมนทินก็คือความผูกพันและความตนีในบริการคนที่ตนีในทรัพย์ในบ้านในบุตรใน ตำหนีที่อยู่อาศัยตำหนีลาบสกาละผลประโยชน์ตำหนีพวกพ้องตำหนีวันณะสีผิวเช่นหรือตำหนีธรรมะทั้งหลายจะละได้พอพิจารณาถึงมรณะตายเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันจะละความตำหนีได้และก็จะไม่ชอบหลักฐนได้ความคุ้นเคยกับอะไรอันนี้จะสัญญาความประจําหมายว่าไม่เที่ยง มันเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างมากทุกสัญญาณนะัตสัญญาจะปรากฏคล้อยตามของอันนี้จะเมื่อเมื่อได้อันดับแรกสําคัญที่สุดนะอย่าลืมนะคนบางคนที่ที่ไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้เนะี่ยเพราะอันนี้จะสัญญาไม่เด่นแต่เด็กคนที่จเจริญมรณานุสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนนะ่ยเห็นความไม่เที่ยงของของกระแสชีวิต ของตนเองและบุคคลอื่นซึ่งมันเห็นทุกวันเห็นทุกวันเห็นทุกวันเห็นทุกวันนัเข้านัเข้าเห็นแทบทุกชั่วโมงนัเข้านัเข้าเห็นแทบทุก30นาทีนัเข้านัเข้าเห็นแทบทุกนาทีมณัิการเมื่อไหร่ก็เห็นมณัิการเมื่อไหร่พออันนี้จะสัญญาเด่นทุกขสัญญาจะเด่นแล้วก็จะพัฒนาสู่อนัตตสัญญาไอ้สามสัญญานี่แหละมันจะเป็นปัจจัยต่อการเข้าไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นจุดเด่นของ วิปั ส, สนาญาณของคนที่เดินมรณานุสติเพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาจึงควรบำเพ็ญความไม่ประมาทในมรณาสติให้มากแล้วจะประสบความสำเร็จในการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเอาละเดี๋ยวเราจะได้กล่าวคำบูชา